วันนี้เป็นวันเสาที่ยี่สอธันวาคมพุทธศักราชสอง2ห้าสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำภารกิจ ทางศาสนาทางจิตใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีอยู่กันในบัดนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตาแหน่งต่างๆไม่ว่าเป็นนั่งวันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้าชนิดต่างๆหรือแม้แต่ร่างกายของพวกเราสิ่งเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับจิตใจของพวกเราแล้วต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าคุณค่าราคาก็เหมือนกับก้อนหินกับก้อนเพชรเนี่ย เหตใจนี้มีคุณค่าเหมือนกับก้อนเพชรส่วนทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองและร่างกายของพวกเรามีคุณค่าเหมือนกับก้อนหินความสุขที่เราได้รับจากลาบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์จากร่างกายของพวกเรา สู้กับความสุขที่เราได้รับจากจิตใจของพวกเราไม่ได้แล้วก็ความยั่งยืนร่าต่างกันความสุขทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสสุขชั่วขณะที่ร่างกายนี้มีชีวิตอยู่ หรือมีความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ได้แต่พอร่างกายเข้าสู่สภาพของความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายความสุขต่างๆที่เคยหาได้ ก็จะหมดสิ้นไปแต่ความสุขที่เราหาให้กับจิตใจของพวกเรานี้จะมีความยั่งยืนกว่าจะอยู่กับจิตใจของเราไปนานแสนนานและจะอยู่ไปอย่างถาวรถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขแบบที่ เป็นความสุขถาวรได้ความสุขทางใจนี้มีแบ่งไว้เป็นสองระดับระดับที่ไม่ถาวรกับระดับที่ถาวรแต่ขนาดระดับที่ไม่ถาวร น, นี้ก็มีความยั่งยืนยาวนานกว่าความสุขที่เรา จะได้รับผ่านทางร่างกายเพราะว่าถึงแม้ร่างกายจะตายไปความสุขที่เราได้สร้างขึ้นมาในใจยังอยู่กับเราต่อไปอีกระยะหนึ่งเราสามารถพึ่งพาอาศัยความสุขทางใจต่อไปได้หลังจากที่เราไม่มีความสุขทางร่างกาย แต่ความสุขทางร่างกายเนี่ยพอร่างกายหมดสภาพความสุขก็หมดสภาพตามไปด้วยดังนั้นเราจึงต้องมาเสริมความสุขของชีวิตของพวกเรามาสร้างความสุขอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยมีกันนั่นก็คือความสุขทางใจเพราะว่า เราไม่ค่อยรู้จักเรื่องของความสุขทางใจเท่าไหร่เราไม่ค่อยมีมีการสร้างกันเพราะส่วนหนึ่งก็เพราะเราไม่รู้จักกันนคนส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเขาก็ไม่รู้จักความสุขทางใจกันเขาก็มักจะชวนเราให้ไปหาความสุขทางร่างกายกัน เราก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาหาความสุขทางใจกันแต่พวกเราที่มาวัดกันได้อย่างสม่าเสมอก็เือว่าเป็นพวกที่โชคดีที่ได้เข้าถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงความสำคัญของจิตใจ ของความสุขที่เราควรจะสร้างให้กับจิตใจเราจึงได้แบ่งเวลามาวัดในวันที่เราไม่ต้องไปทำภารกิจการงานทางด้านนั่งกายเราก็แบ่งเวลามา มาวัดเพื่อมาสร้างความสุขทางใจกันถ้าเราเข้าไม่ถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่เห็นความสำคัญของการสร้างความสุขทางใจพอวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆแทนที่เราจะมาวัดกันเราก็จะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวกัน ไปหาความสุขทางร่างกายกันซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวไปเที่ยวก็มีความสุขกันพอกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปต้องรอข่าวหน้ารอคราวที่มีเวลาว่างและมีปัจจัยพร้อมที่จะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวใหม่ ก็จะได้ไปเที่ยวใหม่กันถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีเวลาวาสำหรับการเข้าวัดสำหรับการมาสร้างความสุขทางใจกันเพราะวันทำงานเราก็ต้องไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ เก็บเอาไว้สำหรับไปเที่ยวกันในวันที่เราหยุดทำงานกันชีวิตของคนที่ไม่มีศาสนาก็จะเป็นแบบนี้ทำงานทำการในวันทำงานพอวันหยุดทำงานก็ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันก็จะสามารถทำไปได้ในระยะหนึ่งพอร่างกายเข้าสู่วัยชรา มีอาการมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทีนี้การจะหาความสุขทางร่างกายก็จะมีอุปสรรคขึ้นมาจะไม่สามารถหาได้เหมือนกับตอนที่ร่างกายมีความพร้อมมีกำลังวังชาและมีกำลังทรัพย์ที่จะสนับสนุนในการหาความสุขต่างๆ ชีวิตคนเราจรึงไม่ค่อยสุขกันเมื่อเข้าสู่วัยชราเมื่อเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเป็นพิกลพิการเป็นโรคภัยที่ทำให้พิกลพิการเป็นอามเพิกเป็นนามภ พ, พาดก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจบางคนทุกข์มากมากก็อยากจะฆ่าตัวตายซึ่งเดี๋ยวนี้ในโลกที่เขาอาศัยความสุขตั้งร่างกายกันเขาจะพยายามออกกฎหมายสนับสนุนให้แพทย์ช่วยฉีดยาให้คนไข้าตายได้เพราะเขาคิดว่า อยู่ไปก็ทุกทรมานใจไปเปล่าๆสู้ตายดีกว่าแต่มันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุร่างกายตายไปปัญหาที่เกิดจากความไม่สามารถใช้ร่างกายได้ในตอนนั้นก็หมดไปแต่ปัญหาที่เป็นปัญหาต้นเหตุมันไม่หมด ปัญหาที่เป็นต้นเหตุก็คือปัญหาที่อยู่ในใจคือความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายพอมันไม่มีร่างกายอันนี้มันก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แต่ก่อนที่จะไปหาร่างกายใหม่ได้ก็ต้องไปรับผลบาปที่เกิดจากการฆ่าตัวตายก่อนอการฆ่าตัวตายนี้ มีโทษเหมือนกับฆ่าคนอื่นทำให้จิตใจทุกข์ร้อนจิตใจไม่มีความสุขจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์อยู่ระยะหนึ่งจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้หมดกำลังลงถึงจะสามารถไปรอรับร่างกายอันใหม่ได้ไปเกิดใหม่ได้ นี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วก็พอได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอันใหม่อีกแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอปัญหาเดิมปัญหาของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายพิกลพิการก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมอีกก็คือคิดฆ่าตัวตาย ท่านถึงพูดว่าถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วนี้จะไปฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติเนะเพราะจะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาแบบอื่น น, นั่นเองเคยแก้ปัญหาแบบนี้พอเจอปัญหาก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมคือฆ่าตัวตายก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง คือไม่ต้องกลับมาฆ่าตัวตายไม่ต้องกลับมาเกิดนั่นแหละคือวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการไม่กลับมาเกิดถ้าตราบใดยังมีความอยากใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่เวลาที่เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพิกลพิการก็จะต้องทุกทรมานใจแต่ถ้าเราได้เข้าถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เราให้ความสำคัญต่อจิตใจของพวกเราให้พวกเรา มาสร้างที่พึ่งทางใจกันดีกว่าอย่าไปสร้างที่พึ่งทางร่างกายมาสร้างที่พึ่งทางใจที่ยั่งยืนกว่าที่ไม่ขึ้นกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรถ้าเรามีความสุขทางใจเราก็มีต่อไปได้ไม่สิ้นสุดลงไม่หมดลง ตามความเป็นไปของร่างกายเพราะจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันนั่นเองเรียกว่าเป็นฝาแฝดเป็นแฝดสยามมาเกาะติดกันตอนที่มารดาตั้งคันขึ้นมาเวลาที่มารดาตั้งคันนีจิตใจที่เป็นดวงวิญญาณน่องรอย รอรับร่างกายอันใหม่ก็จะมาเกาะติดกับร่างกายอันใหม่ที่กำลังเจริญเติบโ ต, ต, ตอยู่ในคันแล้วพอคลอดออกมาก็จะอยู่คู่กันไปทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะไปไหนจะทำอะไรนี่จะไปด้วยกันหมดเนตอนนี้พวกเราเป็นฝาแฝดโดยไม่รู้สึกตัว พะเราเห็นเพียงฝาแฝดครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งของฝาแฝดเราเห็นร่างกายแต่เราไม่เห็นตัวเราเองตัวเรานี้ไม่ใช่ร่างกายตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้คือจิตใจผู้ที่มากอดติดร่างกายแล้วก็เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ ร่างกายไม่มีความสามารถที่จะสั่งการให้ตนเองทำอะไรได้ร่างกายไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรต่างๆได้ผู้ที่รับรู้และผู้ที่สั่งการให้ร่างกายทาอะไรต่างๆนี้คือจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้ที่มาเกาะติดกับร่างกายตอนที่ เริ่มตั้งครรภอยู่ในท้องแม่แล้วก็จะไปไหนไปด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันแต่เนื่องจากร่างกายเนื่องจากจิตใจนี้เป็นของที่มองไม่เห็นด้วยตาของร่างกายทุกคนเลยไม่รู้ความสำคัญของจิตใจเห็นเพียงแต่ร่างกายก็เลยเห็นแต่ความสำคัญของร่างกาย ที่จะต้องบำรุงรักษาเลี้ยงดูให้อยู่ปลอดภัยจากภัยต่างๆให้มีกำลังวังชาที่จะพาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือภารกิจของผู้ที่มีโมหะอวิชชา คือที่ผู้ที่มองไม่เห็นจิตใจไม่รู้จักจิตใจไม่รู้ความสำคัญของจิตใจรู้เพียงแต่ความสำคัญของร่างกายเท่านั้นก็เลยทุ่มเทชีวิตให้กับการเลี้ยงดูร่างกายปกป้องรักษาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่าง ซึ่งเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวเป็นความสุขแบบควันไฟหามาได้ไม่นานมันก็จางหายไปก็ต้องคอยหาเพิ่มอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องไปเจออุปสรรคเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเวลานั้นก็จะไม่สามารถ หาความสุขได้ก็จะทุกข์ทรมานใจจนกว่าร่างกายจะฟื้นขึ้นมาก็จะไปหาต่อร่างกายก็มีการเจ็บไข้แบบชั่วครั้งชั่วคราวและมีการเจ็บไข้แบบถาวรส่วนใหญ่ในเบื้องต้นเราจะเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบชั่วครั้งชั่วคราว ไม่สบายสองสามวันก็หายหรือถ้าเป็นโรคร้ายแรงหน่อยก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งถ้าต้องมีการผ่าตัดมีการทำการรักษามากมายหน่อยก็อาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนอนหน่อยแต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ กลัมารับใช้ใจในการหาความสุขให้กับใจต่อไปก็จะทําอย่างนี้ไปจนกว่าจะเข้าสู่วัยชะลาเข้าสู่ความเจ็บไข้ที่ยั่งยืนขึ้นนานขึ้นมากขึ้นตอนนั้นชีวิตก็จะไม่ค่อยมีความสุขความสุขจะน้อยกว่าความทุกข์นีนี่ คือเรื่องของผู้ที่ไม่เข้าถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเรื่องของจิตใจจะรู้แต่เรื่องของร่างกายจะต้องประสบ ป, ปัญหาทุกคนเมื่อร่างกายเป็นอะไรไปไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนใหญ่โตหรือคนเล็ก ร่างกายของทุกคนเหมือนกันหมดจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายกันแต่ถ้าได้เข้าหาพระพุทธศาสนาได้เข้าถึงคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่านอกจากร่างกายแล้วเรายังมีจิตใจและจิตใจนี่แหละคือตัวเรา เรานี่มาจากจิตใจอยู่ที่จิตใจเราไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราไปกับจิตใจเราไม่ได้ไปกับร่างกายเราไม่ได้กลายเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกับร่างกายเราเป็นาธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีวันสลายเหมือนกับร่างกายเราก็จะ ไปไปกับจิตใจไปกับความสุขที่เราสร้างให้กับจิตใจถ้าเราสร้างกันถ้าเราไม่สร้างกันเราก็จะไม่มีความสุขติดไปกับใจของเราใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณของพวกเราแต่ละคนนี้จะไปไม่เหมือนกัน เพราะว่ า, วามีการทำบุญทำบาปไม่เหมือนกันนั่นเองเวลาที่มีชีวิตอยู่เวลาที่แสวงหาความสุขต่างๆบางครั้งก็ต้องทำบาปเพื่อที่จะได้ความสุขที่ต้องการบางเวลาถ้ามีข้าวของเงินทองมากกว่าที่จะใช้หมดก็ เอาไปแบ่งให้คนอื่นก็ได้ทําบุญในบางเวลาชีวิตของพวกเราจึงมีทั้งการทําบุญและมีการทําบาปสลับกันไปขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะทําให้เราได้ทําบุญหรือทําบาปกัน บุญเลิดบาปที่เราทำนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความสุขและสร้างความทุกขให้กับใจของพวกเราโดยที่พวกเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังสร้างหรสะสมความสุขกับความทุกให้กับใจของเราที่มันจะแสดงผลเวลาที่ร่างกายเราตายไปเวลาที่ใจแยกออกจากร่างกายไปเป็นดวงวิญญาณ บุญที่ทำไว้บาปที่ทำไว้ก็จะเป็นผู้ที่จะมาให้ผลต่อจิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ส่งผลก่อนคือให้ความสุขกับดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดานี่เอง พวกที่อยู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี้เป็นพวกที่ได้สะสมไว้บุญไว้มากกว่าบาปในขณะที่มีชีวิตอยูอ่วันนี้เทวดามาโปรดแล้วพูดถึงเทวดาถ้าไม่กลัวฝนก็นั่งไปก่อนก็ได้ถ้ากลัวฝนก็กระยับเข้าศาลาได้เชิญตามอธิยาศัยมีทั้งกด้านหลังสองชั้น มีทั้งด้านหน้านีเา้เลือกเข้ามานั่งได้คิดว่าฝนเทียมฝนไม่เปียก อ, อกเดียวเดียวพูดถึงเรื่องของดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วที่ร่างกายตายไปแล้วดวงวิญญาณก็แยกจากร่างกายไปก็ ตอนนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ส่งผลก่อนส่งให้จิตใจไปเป็นเทวดาในชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆมีหกชั้นด้วยกันแล้วก็ถ้าบาป มีกาลังมากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้ส่งผลให้กับดวงวิญญาณถ้าไปได้ร่างกายก็จะเป็นได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานยังจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เพราะบาปนี้จะเป็นผู้จัดสรรให้ไปรับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อนถ้าไม่ได้ร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณ ที่มีความทุกข์แบบต่างๆทุกข์เพราะความหิวก็เรียกว่าเปรตทุกข์เพราะความกลัวก็เรียกว่าสุลกายทุกข์เพราะความมาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านรกนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจขณะที่งไม่มีร่างกายขณะที่นาร่างกายตายไปแล้ว จิตใจที่ไม่มีวันตายก็ต้องอยู่แบบดวงวิญญาณไปแล้วก็รับใช้ผลบุญผลบาปไปจนกาบุญหรือบาปนั้นหมดกำลังที่จะส่งผลช่วงที่หมดกำลังก็คือช่วงที่บุญกับบาปที่ได้สะสมไว้ในใจนี้มีกำลังเท่ากันบุญไม่หายไปหมดบาปไม่หายไปหมด เป็นช่วงที่บาปไม่มีกำลังที่จะส่งผลบุญก็ไม่มีกำลังที่จะส่งผลเพราะต่างฝ่ายต่างมีกำลังเท่ากันช่วงนั้นดวงใจดวงวิญญาณก็จะไปรอรับร่างกายของมนุษย์แล้วพอได้เกิดได้ร่างกายมาก็จะเกาะติดกับร่างกายอยู่กับร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปเหตุที่ใจยังต้องกลับมาเกาะติดกับร่างกายอยู่เพราะใจมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองใจมีกามตัณหาความอยากเสพกามกามก็คือกามขุนห้า ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลถะพพะที่ต้องใช้ตาไว้สำหรับดูรูปใช้เสียงใช้หูสำหรับฟังเสียงใช้จมูกสำหรับดมกลิ่นใช้ลิ้นสำหรับสัมผัสกับรสและใช้ร่างกายสัมผัสกับผพทะพะคือสัมผัสหนาวร้อนหนาวเย็นแข็งนุ่มเรียกว่าผลถะพระ ร่างกายใจต้องการหาความสุขแบบนี้จึงต้องมามีร่างกายมาเกิดใหม่แล้วก็นอกจากความอยากกามตัญหาแล้วก็ยังมีภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาความอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตรเรียกว่าภาวะตัณหาคือความอยากเจริญในลาบยศรเสริญสุขนี้ แล้วก็มีวิภาวะตัณหาความอยากไม่พบกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเองนะจึงเป็นตัวที่พาให้ใจต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆจนกว่าจำได้มาพบกับพระพุทธพธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆได้ด้วยการละความอยากทั้งสาม ะกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาด้วยการมาปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติสามประการด้วยกันคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่เป็นวิธีการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวิธีการที่จะสร้างความสุขทางจิตใจแบบถาวรแบบที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงกาหนดวันพระให้ชาวพุทธเราได้มีเวลามาสร้างบุญสร้างกุศล มาสร้างความสุขทางใจมากำจัดความทุกข์ทางใจด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็ให้ศึกษาก่อนถ้ายังไม่รู้เรื่องของจิตใจยังไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้สิ้นสุดลงได้อย่างไร แต่ก็ต้องอาศัยการศึกษาคือการฟังเทศฟังธรรมนี่เองสมัยโบราณสมัยพุทธกาลี้การฟังเทศฟังธรรมเป็นวิธีเดียวที่จะเรียนรู้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะสมัยโบราณไม่มีการศึกษาล่ิ่มเรียนไม่มีคนอ่านออกเขียนได้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องออกมาแบบสดสดร้อน ออกมาทางวาจาทางปากไม่ได้เหมือนไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่ได้มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆมีบันทึกไว้ในพระไตปิดกมีบันทึกไว้ในซีดีมีบันทึกไว้ในมือถือที่เราสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างง่ายดายและตลอดเวลา ในสมัยพุทธกาลนี้ต้องรอให้มีวันหยุดทํางานก็คือวันพระนี้เองที่เราเรียกว่าวันหยุดทํางานวันที่ศรัทธาญาติโยมหยุดภารกิจการทํางานวันหนึ่งเพื่อจะได้มีเวลาว่างที่จะเข้าวัดเข้าหาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ากันฟังเทศฟังธรรมก่อนให้รู้ว่า ปัญหาของพวกเราอยู่ที่ตรงไหนปัญหาของพวกเราอยู่ที่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่การเกิดแก่เจ็บตายและต้นเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากสามประการที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนั่นเองอยากหาความสุขจากรูปเสียงเกลื่นรสต่างๆอยาก อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากได้ราบยศสารเสริญสุขและพอได้มาก็ไม่อยากจะสูญเสียไปไม่อยากจะสูญเสียราบยศสารเสริญที่ได้มาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะรักษาแต่ต่อสู้ยังไงในไม่ช้าก็เร็ว ร่างกายก็จะหมดกําลังร่างกายเป็นของชั่วคราวที่จะต้องหมดกําลังหมดสมรถภาพที่จะหาหรือที่จะรักษาลาบยศสระเสริญสุขได้ดัง น, นั้นก็จะต้องทุกทรมานใจไปจนถึงวันสิ้นสุดของชีวิตแล้วพอร่างกายตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาป หลังจากรับผลบุญผลบาปก็ไปรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกแล้วก็มาทำอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ไปจนถึงวันแกวันเจ็บวันตายนี่ท่านเรียกว่าวัตตะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความอยากของเรานี่เอง ถ้าเราต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายภพนี่เราต้องหยุดความอยากให้ได้เครื่องมือที่จะหยุดความอยากนี่ก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงแม้จะไม่เคยเจอกันแต่เวลาสอนธรรมะนี่สอนเหมือนกันหมดเพราะว่า ความจริงที่ได้ตัดสโลนี้เหมือนกันจึงไม่ต้องไปโทรสท์ถามกันว่าให้จะสอนยังไงว่าทุกคนรู้รู้ปัญหาของจิตใจรู้วิธีแก้ปัญหาของจิตใจวิธีแก้ปัญหาของจิตใจก็คือเราต้องมาละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลสร้างบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม และชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นวิธีการที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดลงเพราะเป็นวิธีการที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้คือความอยากสามประการนี้เท่านั้นความอยากอย่างอื่นนี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยไม่ต้องหยุดก็ได้เช่นความอยากทำบุญ ความอยากรักษาศีลความอยากปฏิบัติธรรมความอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเังนั้นความอยากเหล่านี้อยากได้เพียงแต่ว่าอยากแล้วต้องทำให้ได้ถ้าอยากแล้วทำไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ ถ้าอยากแล้วยังทำไม่ได้ก็ต้องหยุดความอยากไว้ก่อนอย่าไปทุกข์ใจเช่นบางคนอยากจะทำบุญแต่ไม่มีเงินทาบุญก็ทุกข์ใจกับการที่ไม่ได้ทำบุญอันนี้ถ้ายังไม่มีเงินทาบุญก็ยังไม่ต้องไปอยากทำบุญเพราะเราไม่ต้องการที่จะ อ, อยากเพื่อทำให้เรามีความทุกข์เราอยากเพื่อต้องการให้เราดับความทุกข์ ถ้าเรามีเงินเราเราจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยตอนนั้นเราต้องอยากทําบุญเราจะได้ตัดความอยากที่ไปเที่ยวได้ตัดความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยได้เพราะถ้าเราตัดไม่ได้ความอยากนี้มันจะมารบกวนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่เราไม่มีเงินทองตอบสนองความอยากมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ดังั้น ความอยากที่ดีก็มีความอยากที่ไม่ดีก็มีที่พูดถึงนี้ที่ให้ละก็คือความอยากที่ไม่ดีสามประการนี้ความอยากเสบรูปสเสียงกลิ่นลดพทพภะความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรเสริญและความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรเสริญไปความอยากไม่สูญเสียร่างกายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ควอยากเหล่านี้จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเวลาที่เราทําไม่ได้ดังนั้นต้องหยุดมันเมื่อถึงเวลาที่เราอยากแล้วไม่ทําไม่ได้เราก็ต้องรู้จักหยุดมันถ้าเราหยุดมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับม า, าเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือ เรื่องที่พวกเราจะต้องมาศึกษากันมาทำความเข้าใจให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรถ้าเราจะต้องการแก้ปัญหาของพวกเราที่มีมาอย่างยาวนานและจะมีไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ต้องมาทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ขั้นต้นข้อที่หนึ่งท่านทรงสอนให้เราละการกระทาบาปทั้งปวงเพื่อจะได้ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราแล้วก็จะปิดประตูของอบายถ้าเรายังไม่ไม่สาเร็จเราก็ยังถ้าเรายังต้องไปเกิดต่อเราอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะอบายนี้เป็นเหมือนคุกตาราง ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายป้องกันไม่ให้มีความทุกข์ใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คือไม่ให้กะทำบาปนั่นเองให้รักษาศีรษะและให้ละเวนอบายามุกต่าง อบายามุกนี้เป็นผู้สนับสนุนให้ละเมิดสินห้านั่นเองถ้าไม่เสพอบายามุกก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ไปกระทำบาปจึงต้องรวมอบายามุกไว้ด้วยบาปก็มีอยู่ห้าข้อสี่ข้อด้วยกันคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกหกหลอกลวงอันนี้ทำแล้วจะทำให้ใจไม่สบาย อยู่ดีๆอย่าไปสร้างความไม่สบายใจให้กับใจเลยถ้าเกิดอดอยากขาดแคลนก็ทนไว้ดีกว่าอดอยากขาดแคลนทางร่างกายไม่ไม่เจ็บเหมือนกับเกิดความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการทำบาปทำบาปถึงแม้จะได้สิ่งที่อยากได้แต่มันได้ไม่คุ้มเสียโทษที่ได้รับมันมากกว่า ผลที่บุญคุณที่เราได้รับงั้นอย่าทำบาพปพยายามอดทนไปอดอยาขาดแคลนเงินก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับการทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดโดยการไม่ดื่มสุรายาเมา พราถ้าดื่มสุรายาเมาแล้วจะมักจะห้ามใจไม่ได้เวลาใจ เ, าเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาจะไม่มีสติยับยั้งใจเวลาคิดจะทําบาปก็จะทําได้ง่ายจึงต้องห้ามไม่ให้ดื่มสุรานอกจากสุราแล้วอบายามุกยังมีอีกสี่ข้อคือเล่นการพนันเที่ยวเตะเกียรติค้าน ครอบคนชอบอรบายยมุกเป็นมิตรเนียอย่าไปครบคนที่ชอบอบายยมุกเพราะเขาจะชวนให้เราไปเสพปรบายยมุกคนชอบกินเหล้าก็จะชวนให้เราไปกินเหล้าคนชอบเล่นการพนันก็จะชวนให้เราไปเล่นการพ น, นันคนชอบอความเกลียดคร้านก็จะชวนให้เราเกลียดคร้านะนี่ย งั้นต้องอย่าเสพอบายามุกแล้วจะทําให้เราทําบาปยากถ้าเสพอบายามุกแล้วจะทําบาปง่ายทําบาปแล้วก็จะทุกข์ใจอย่าทุกข์ดีกว่าตายไปก็ต้องไปเป็นดวงวิญญาณในอบายได้ไม่คุ้มเสียเขาสิ่งที่เราหาได้มาด้วยการทําบาปตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้ เอาได้แต่ผลของบาปที่เราทำไว้งั้นอย่าไปหลงอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าทำบาปแล้วได้กำไรไม่มีวันกำไรมีแต่ขาดทุนอันี้คือข้อที่หนึ่งที่เราต้องมาหัดทำกันให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปนอยบายกัน แล้วถ้าเราไม่ทําบาปได้เราก็จะทําบุญได้เมื่อเรารู้ว่าการทําบุญนี่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อจิตใจเวลาใดที่เราอยากจะมีความสุขเช่นเรามีเงินทองเราเคยใช้เงินทองไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นความสุขที่เราได้นี้มันเป็นความสุข สู้ความสุขที่ได้จากการทำบุญไม่ได้พราะหนึ่งความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวซื้อของฟุ่มเฟือยเป็นความสุขประเดียวระดาวเป็นความสุขแบบควันไฟแต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานเป็นความสุขที่อิ่มที่หนักที่ทำให้มีมีความอิ่มความพอ เป็นความสุขที่ยาวนานกว่าถึงแม้ได้ทำบุญมาแล้วเดือนสองเดือนเวลาคิดถึงบุญที่เราได้ทำอันนั้นก็ยังทำให้เ ก, เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้อยู่เป็นความเป็นความสุขที่ไม่หิวแต่ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยเป็นความสุขที่จะทำให้หิวจะทำให้อยากเที่ยวอีกอยากซื้ออีก มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดนะพอใช้เงินแบบนี้แล้วก็ต้องใช้อยู่เรื่อยๆถ้าใช้บ่อยๆมากไปเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอยากจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่มีความสุขอยากจะเที่ยวไม่ได้เที่ยวก็จะมีความทุกข์ตามมาแต่การทำบุญนี้ถ้าไม่มีเงินทำก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร ไม่มีบุญธรรมก็ไม่ทำไม่มีเงินทำก็ไม่ทำรอให้มีก่อนค่อยทำถ้าไม่มีก็ใจก็ไม่หิวไม่โหยไม่ทุกข์ไม่ลาคาญใจแต่อย่างไร mm. นี่คือผลแตกตา่างจากการใช้เงินในทางที่ถูกหรือใช้เงินสร้างความสุขให้กับใจแล้วบุญความสุขที่เราได้จากการทำบุญนี้มันยังอยู่ต่อไปในใจของเราอีกด้วย หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วบุญที่เราทำนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะให้ความสุขเราต่อไปได้ อ, อ, อนี้เป็นขั้นสร้างความสุขให้กับทางจิตใจในระดับเบื้องต้นก็คือสร้างความสุขด้วยการทำบุญ อ, อ, อย่าเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือย เป็นเหมือนของเด็กเล่นเป็นเหมือนยาเสพติดไปซื้อไปทำบุญดีกวเป็นเหมือนอาหารของจิตใจทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขแปยาวนานกว่าแล้วจะไม่มีความหิวโหวยกับการไปเที่ยวกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเวลาไม่มีเงินทองก็จะไม่เดือดร้อนให้สร้างบุญด้วยวิธีการต่างๆบุญนี้เราทาได้กับ นทุกรูปแบบทำกับคนที่มีพระคุณกับเราก่อ น, เ, นเช่นทำกับบิดามารดาผู้ที่มีพระคุณกับเรา<ม>เราต้องมีความกระตันอยู่ต้องรู้บุญคุณของผู้ที่มีบุญคุณกับเราแล้วตอบแทนตามตามโอกาสตามกำลังของเรา<ม>เราจะมีความสุขมากที่เห็นบุคคลที่มีพระคุณกับเราอยู่อย่างมีความสุข จากการกระทาของเราถ้าเราไม่ได้ตอบแทนนุญคุณเราอาจจะมาเสียใจในภายหลังว่าสมัยพ่อแม่อยู่ไม่เคยเหลียวแลพ่อแม่เลยมัวแต่คอยดูแลเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองคอยปาะละเลยให้พ่อแม่อยู่แบบทุกข์ยากลำบากพอท่านตายไปถึงมาคิดได้มาคิดได้มันก็สายไปเสียแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร ควรตอบแทนทำบุญกับบุคคลที่สำคัญที่สุดก่อนคือพ่อแม่ของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันต์ของลูกๆทำบุญกับพ่อแม่เท่ากับได้ทำบุญกับพระอรหันต์ทำกับพระพุทธเจ้าได้บุญมากคือได้ความสุขใจมากนั่นเองดังนั้นเราทากับคนที่มีพระคุณกับเราก่อนยก นอกจากว่าถ้าท่านไม่เดือดร้อนท่านไม่ต้องการอะไรจากเราอันนี้ก็เราก็ไปทํากับที่อื่นได้ไปทํากับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ลําบากก็เอาคนใกล้ตัวเราก่อนญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเราแล้วก็ไปสู่สถาบันที่ทําคุณทําประโยชน์ให้กับสังคมเช่นโรงเรียนโรงพยาบาล องค์กรสาธารนณะกุศลต่างๆเพื่อที่จะได้ช่วยส่งเสริมให้สังคมของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสังคมเราอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขก็อาศัยองค์กรสาธารนณะต่างๆเหล่านี้เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลเพราะว่าทาแต่คุณทำประโยชน์ให้กับคนในสังคมนั่นเอง ไม่ได้สร้างความทุกข์ความยากเดือดร้อนให้กับคนในสังคมทาแล้วมันก็จะมีผลสะท้อนกลับมาหาเราเว <c oughs> ลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็จะมีที่พึ่งพาอาศัย <c oughs> นี่คือวิธีการทำบุญตา่ตางๆไม่ใช่ว่าจะต้องทำบุญกับพระทำบุญกับวัดเพียงอย่างเดียว <c oughs> วัดก็ควรทำพระก็ควรทาถ้าท่านขาดแคลนคราะ ศาสนานี้ก็เป็นหัวใจของพวกเราเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่มีวัดไม่มีศาสนานเราก็เหมือนอยู่ในที่มืดเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับจิตใจของพวกเราเราก็จะอยู่กันแบบไรศาสนาน สังคมที่ไร้าาศาสนาก็มักจะแต่มีการแข่งแย่งชิงดีฆ่าฟันกันมีแต่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้ต่อกันละกันแต่สังคมที่มีาศาสนานี้จะเป็นสังคมที่มีเมตตากรุณามุดิตาอุบเบกขาต่อกันจะไม่เบียดเบียนกันจะให้ความสุขจะให้ความช่วยเหลือต่อกันและกันตามกําลังตามเหตุตามปัจจัย สังคมอยู่กันได้เพราะมีะมีพรมวิหารสี่ยพรมวิหารสีนี้จะทําให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่จะรู้เรื่องพรมวิหารสีก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเราจึงต้องมีพระศาสนาไว้เป็นแสงสว่างนําพาชีวิตของพวกเราเราก็ต้องทําบุญกับวัดทำบุญกับพระแต่ถ้าพระหรือวัดท่านพอเพียงแล้ว เราก็แบ่งไปทำกับที่อื่นได้ทำกับคนยากจนก็ได้เพราะถ้าเราไม่ช่วยคนยากจนถ้าเขาเดือดร้อนมากๆเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทำบาปกับเรานั่นเองถ้าเขาไม่มีกินจะให้เขาจะอยู่อย่างไรเขาก็ต้องไปลักขโมยถ้าเขาไม่มีงานทำไม่มีใครช่วยเหลือเขาเขาก็ต้องไปเป็นขอทานหรือไมนน่ย่ก็ต้องไปปนไปจี้ไปลักทรัพย์ไปทาอะไรเสียหายกับคนอื่น แต่ถ้าเราช่วยเหลือเขาช่วยให้เขาลุกขึ้นมาเดินได้ยืนได้ให้เขาพึ่งตัวเองได้เขาก็ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นนอกจากนั้นเราก็ยังต้องช่วยพวกสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยสัตว์ก็บางทีก็ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ก็ต้องช่วยกันเช่นสุนัขจรจัดไม่มีที่อยู่อาศัายไม่มีใครเลี้ยงถ้ามันโซสัดโซเซมาก็เมตตา เลี้ยงมันไปช่วยเหลือมันไปเดี๋ยวอยากจะช่วยชีวิตของสัตว์ที่จะถูกฆ่าเช่นวัวควายหรือปูปลาก็ไปซื้อมาปล่อยให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปให้ความสุขกับผู้แล้วมันจะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ได้มาเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไป แต่บุญที่เราได้ทำไว้ถึงแม้จะผ่านไปหลายเดือนเพียงแต่นึกถึงมันก็ยังทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาได้นี่คือขั้นที่สองให้พยายามทำบุญตามโอกาสตามความสามารถของเราถ้าอยากจะมีความสุขในระดับเงินทองเอาเงินทองไปทำบุญดีกว่าเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วระดับที่สามก็คือให้เรามา ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็นการซักพอกจิตใจกําจัดเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดไปสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองก็คือกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชานี่เองที่มันฝังอยู่ในจิตใจเรามาเป็นเวลาอันยาวนาน ที่เราไม่เคยเข้าไปซักพอกมันเลยเพราะเราไม่รู้จากวิธีไม่รู้ว่ามันเป็นตัวปัญหาต้องรอให้เราได้มาเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะรู้ว่าการมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอยู่ในใจนี้มันเป็นแต่โทษกับจิตใจมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจ มันเป็นตัวที่พาให้เราต้องปไปเวียนว่ายตายเกิดกันเราจึงต้องมาหัดภาวนากันภาวนาก็มีอยู่สองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้มีสมาธิขึ้นมาพอใจสงบมีสมาธิเป็นอุเบกขาก็ปฏิบัติขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนา สอนใจให้รู้ถึงโทษของโมหะอาวิชากิเลสตัณหาและให้หยุดมันอย่าทาตามมันพอไม่หยุดพอไม่ทำตามมันต่อไปกิเลสตัณหาโมหะอาวิชาก็จะล้มล้มหายตายจากไปเองที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเราสนับสนุนมันด้วยการทำตามคำสั่งของมัน พอมันบอกให้โลภเราก็โลภตามมันพอมันบอกให้โกรธเราก็โกรธตามมันพอมันหลอกให้เราอยากได้นูน่นอยากได้นี่เราก็อยากได้ตามมันมันเลยไม่มีวันตายวิธีที่จะทำให้มันตายก็คือเนี่ยเราอย่าไปทำตามมันเราจะไม่ทำตามมันได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสงบมีสมาธิมีอุเบกขาที่จะมีกำลังฝืนความอยากได้ พอเรามีอุเบกขาแล้วเราก็เอาปัญญามาสอนเราว่าการทำตามความอยากไม่ดีโลภไม่ดีโกรธไม่ดีหยุดมันดีกว่าหยุดแล้วจะได้ไม่มีความทุกข์ใจหยุดแล้วจะได้ไม่มีการกล ร, รมมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าเราปฏิบัติไปเดี๋ยวเราก็ทำได้เพราะมันเป็นของตรงไปตรงมาไม่ใช่ของลึกลับอะไรอยู่ที่ว่าเราทากัน ได้หรือไม่เท่านั้นเองที่ไม่ได้ก็เพราะไม่ทํากันหรือทําน้อยพอลองทําได้นิดหนึ่งพอรู้สึกไม่ได้ผลก็ไม่อยากจะทําขึ้นมานะพอดโดนกิเลสตัณหามันสร้างอุปสรรคขึ้นมาก็ยอมแพ้มันซะแล้วออพอกิเลสมันต่อสู้เราหน่อยก็สู้มันไม่สู้มันไม่ไหวแล้วยอมแพ้ยกทองขาวแล้ว แต่ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทำได้เราก็ต้องทำได้เนี่ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ทำไม่ได้ท่านพระพุทธเจ้าไม่มาสอนเราภาษาวกท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราท่านเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามทาพระพุทธเจ้าจะนายที่สุดท่านก็ชนะกิเลสของตนได้ <Yeah. S 1> ให้เราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะสู้เมื่อเราสู้แล้วไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องชนะขอให้สู้ไม่ถอยเท่านั้น yeah. นี่คือหลักการของการปฏิบัติต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในความสามารถของพวกเราว่าเราก็สามารถทําได้เพราะมีพวกเราที่ทําได้แล้วคือพระสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนท่านก็เป็นพวกเราท่านก็เป็นเหมือนเรามีกิเลสตัณหาเหมืนเราแต่พอท่านได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็น้อมเอาไปปฏิบัติ สู้แบบไม่ถอยสู้ตามที่พระเจ้าทรงสอนให้สู้ในที่สุดท่านก็เอาชนะได้พวกเราก็สามารถเอาชนะได้เช่นเดียวกันถ้าเราสู้นี่คือเรื่องของการที่เราจะมาสร้างความสุขให้กับใจของพวกเรากำจัดความทุกข์ต่างๆให้กับใจของพวกเราและยุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจของพวกเรา โดยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้สามประการคือให้ละาการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างคุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้แก้ปัญหาได้อย่างหมดหมดสิ้นไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปริปเรนติสากะลังเอวามวาอิโตทินงังเปตานาังอุปกาปะติ อิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปเมวาสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสสตุ มาเตผวตวันตระโยสุขีทีขายุโกผวะพิวาธนศีลิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมาวาทันติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคําถามใครอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วปิดใหม่แล้วก็ของดถามไม่มีถามหลังใหม่นะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่หาทางเฟองร้อยห้าสิบแปด YouTube 299อิวิทยออนไลน์16แล้วฟังบนเขาแปดสิบหรวมทั้งหมดห5 9ห้าสิบท่านค่ะถ้าใครอยากจะถามเลยยกมือขึ้นมาจะส่งใหม่ไปให้ถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนคำถามจากคุณออมคะ่ะ ยังเป็นคารวาสและต้องดารงชีพด้วยอาชีพนักร้องศิลปินจะเป็นการบาปไหมครับเพราะเป็นสิ่งที่ทําให้คนหลงในโดพาโทสะโมหะก็ไม่บาปหรอกมันก็เป็นสัมมาชีพอย่างหนึง่งเพราะไม่ได้ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนให้ความสุขกับเขาก็ไม่ถือว่าเป็นอาชีพที่ ท, ที่เป็นมิจฉาชีพ แต่ถามว่าเป็นอาชีพอย่างนี้ดีไหมถ้าเกิดล้องไปแล้วเกิดเสียงหมดจะทำยังไงก็<ม> <c oughs> ควรจะคิดเปลี่ยนอาชีพเลยว่ามีอาชีพเสริมสำรองไว้เพราะว่าอาชีพศิลปินนี่มันมีเหมือนดอกไม้นะ่ะมันบานเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เฉามันก็เหี่ยวได้เห็นควรจะมีอาชีพสำรองไว้เผื่อเวลาอาชีพศิลปินหมด ำคำถามจากคุณปาริชาติค่ะลูกฝันว่าถูกงูพิษกัดที่อุ้งเทา้ารู้สึกกังวลใจว่าจะมีคอกระคอกรรมกราบขอคำแนะนำในการสำรวมใจกับความฝันนี้เจ้าค่ะก็เป็นเพียงความฝันน้นั่นเองฝันเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ได้เป็น น, นี่ไม่กลัวอะไรกับฝันไม่ดี มันก็เป็นแค่ความฝันให้พลิกมันคิดว่าถ้าเกิดเราฝันว่าเราเป็นมหาเศรษฐีแล้วเราจะเป็นหรือเปล่าฝันว่าถูกงูกัดแล้วมันจะกัดเราหรือเปล่ามันไม่เป็นเพียงความฝันงนั้นไม่ต้องไปกังวลกับความฝันก็ให้เราพยายามมีสติก็แล้วกันทำอะไรเดินไปที่ไหนยิ่งเฉพาะที่มืดมดให้มีไฟฉายหรือ ว, ว่าคอยดูว่าเรากลาลังเดินไปข้างหน้านี้ มีอะไรขวางทางหรือเปล่าบางทีงูมันอาจจะเลื้อยอยู่ข้างทางก็มีถ้ามีสติเราก็จะได้ไม่ไปเหยียบหางมันไม่ไปทาให้มันตกใจแล้วมากัดเราโดยปกติแล้วงูนี้เขาจะไม่มาทาร้ายเราถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาตกใจนะคอย่างนั้นไม่ต้องไปกลัวคำถามจากคุณนิยาค่ะถ้าเราทำบาปกรรมกับพ่อแม่ แล้วไปขออโหสิกรรมบาปกรรมจะบอบางลงได้แค่ไหนโจ้าคก็จะไม่ได้ทำใหม่การขออโหสิกก็คือการซ้ำนึกผิดว่าต่อไปนี้จะไม่ทำแล้วบาปที่ทำไว้ก็จะไม่มีเพิ่มขึ้นแต่จะไม่ลดลงบาปที่เราทำไม่ได้หายจากการไปขออโหสิกรรมบาปนั้นก็ต้องมาเกิดขึ้นในภายหลังต่อไปก็าจะามีลูกมาทาเหมือนกับเราทากับพ่อแม่ เขาเรีกว่ากองเวกวนกองกรรมทําอะไรกับใครไว้เดี๋ยวก็จะถูกเขากลับมาทําเราฉะนั้นพยายามอย่าทําถ้ารู้ว่าทําผิดแล้วไปขออโหสิกรรมก็ดีส่วนเขาจะให้อโหสิหรือไม่นี่เราไปบังคับเขาไม่ได้นแต่สิ่งที่เราทําเพื่อเราแสดงความสํานึกผิดแล้วจะพยายามไม่ทําอีกต่อไปถ้าเราไม่ทําได้เราก็ไม่เพิ่มบาปกรรมให้มากขึ้น คำถามจากผู้ปฏิบัติบนข่าวค่ะเมื่อวานดูดเดินจงกรมเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่งตั้งใจว่าจะเดินสองชั่วโมงแต่เหนื่อยมากก็เลยนั่งสมาธิตอนที่นั่งสมาธินี่เจ็บขามากมากไม่เคยข้ามพ้นความเจ็บขานี้ไปได้เลยแต่เมื่อวานคิดว่าฉันอุตส่าห์เดินจงกรมได้นานขนาดนี้วันนี้จะไม่ยอมลุกเป็นยังไงเป็นกัน เจ็บเป็นเจ็บท่องพุโทโธพุโทโธสักครู่มันเหมือนตกเหวเวิงว้างขาที่เจ็บมากเหมือนใจจะขาดมันหายไปเลยร่างกายก็หายด้วยเหมือนจิตมันแยกออกไปค่ะแต่ก็ยังพุโทโธอยู่สักพักจิตก็กลับมาค่ะอยากถามว่านี่คือความสงบใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามีสติมากเนี่ยเราเดินจงกลมต้องชั่วโมงกว่า พอมานั่งมันก็เลยสามารถที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้จิตมันก็เลยเข้าสู่ความสงบแบบตกหลุมตกบ่อได้เนีย่ยยานี่แหละถ้าเรานั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินมากๆเดินแบบมีสติไงอย่าเดินแบบช้อปปิ้งนะเดินแล้วก็ไอ้นั่นก็ดีเอนี่กด็ดีอย่าไปเดินแบบคิดบูมแต่ง เดิแล้วต้องให้มีสติหยุดความคิดให้อยู่กับการเดินไม่อยู่กับพุทโธไปแล้วพอเวลามานั่งเนี่ยมันจะมีกําลังมากเวลาเจอทุกขเวทนามันจะผ่านไปได้เพราะส่วนหนึ่งเราผ่านจากการเดินจงกรมนี้แล้วเพราะเดินจงกรมนานๆมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็เมื่อยแต่เราสู้มันได้แสดงว่าเรามีสติพอ พอเรามานั่งพอมาเจอความเจ็บอีกเราก็เพียงแต่ใช้สติเพิ่มขึ้นไปพุโทโธต่อไปเดี๋ยวมันก็ทะลุได้เนะนั้นต้องพยายามฝึกเดินจงกรมกันมีคุณมีประโยชน์มากถ้าเรานั่งได้ไม่นานก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนอ คำถามจากคุณพงค่ะผมคิดว่าถ้าเกิดมาในชาติต่อไปแล้วไม่มีผู้สั่งสอนในพุทธศาสนาก็จะมีโอกาสลงนรกอีกรอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชาตินี้เจอครูบาอาจารย์ศา ส, สนาพุทธคนเร่งรีบไปนิพพานชาตินี้เลยผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วนะแล้วก็ไปได้ทุกคนโดยไม่มีจำนวนจากัด เหมือนกับมหาละไนี้เวลาสอบเอ็นทันก็ยังมีจำนวนจำกัด mm. ถึงแม้จะได้คะแนนดีแต่เขาก็ต้องตัดออกไปเพราะไม่มีที่ให้ไปเรียนแต่นิพานนิจุได้มากมายจุได้ทั้งหมดใครต้องการไปไปได้หมดขอให้สอบให้ผ่านเท่านั้นเองขอให้ปฏิบัติให้ได้คำถามจากคุณ I อ m มนึก การขออโหสิกรรมระหว่างขออโหสิกรรมกับผู้ยังมีชีวิตและขออโหสิกรรมกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วต่างกันหรือไม่อย่างไรครับก็ถ้า ผ, ผู้มีชีวิตอยู่เขาก็จะรู้ว่าเราสำนึกผิด mm hmm. เขาก็อาจจะเมตต า, เ, าเลิกโกรธเรา mm hmm. แต่ผู้ที่ตายไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้รับรู้จากการขออโหสิกรรมของเรา เขาก็ยังอาจจะจองเวรจองกรรมเราอยู่ก็ได้คำถามจากคุณิยาค่ะทำไมนั่งสมาธิจิตไม่ค่อยสงบเลยเจ้าค่ะพยายามใช้คำบริกรรมหรือหาวิธีภาวนาที่ถูกจริตกับตัวเองแต่ยังฟุ้งซ่านตำคานใจรู้สึกท้อแท้ในการปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะทำอย่างไรดีเจ้าคะเพราะสติน้อยฝึกสติน้อยไปควรจะฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่ง เราความจริงเราฝึกสติได้ตั้งแต่ตอนที่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นนอนขึ้นมาก็พุโทโธไปได้เลยพอช่วงที่เราเตรียมตัวไปทำภารกิจต่างๆนี่เราไม่ต้องใช้ความคิดอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่พุโทโธไปได้ตลอดเวลาอย่าให้มันคิดถ้าเราฝึกแบบนี้เวลามานั่งจะมีสติทาให้เรานั่งได้ ถ้าเรานั่งเนี่ยนั่งไม่ได้เราก็ต้องฝึกสติด้วยการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์หรือฟังเทศไปก่อนการฟังเทศก็จะบังคับให้เรามีสติอยู่การฟังการสวดก็จะมีการบังคับให้เราอยู่มีสติอยู่การสวดสวดไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วทีนี้จิตก็จะนั่งสมาธิได้ไม่ไม่วุ่นวายไม่ฟุง้งซ่าน คำถามจากคุณพิมพนัทค่ะการที่โยมถวายพวงมาลัยกับพระพุทธรูปโยมคล้องพวงมาลัยที่เสียนพระพุทธรูปนี้ได้ไหมเจ้าค่ะความจริงก็ไม่ให้ไปแตะต้ององค์พระพุทธรูปหรอกเวลาบูชาพระก็มีที่ใส่ดอกไม้ที่ตั้งดอกไม้ทูกเทียนให้ความจริงเราถือท่านว่าเป็นองค์สําคัญไม่ควรที่จะไปแตะต้ององค์พระนอกจากเรามีหน้าที่ต้อง เชถูทําความสะอาดหรืออะไรเท่านั้นถ้าปกติแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเราจะไปเอาดอกไม้ไปคล้องศีรษะพระเจ้าแผ่นดินนีมันก็ไม่สมควรงั้นก็อย่าไปแตะต้ององค์พระดีที่สุดนะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะเมื่อหนูเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ต้องใจ หรือรวมถึงจิตใจที่มีความอาฆาตแค้นทำให้ใจทุกทรมานพยายามมองตามความแค้นนั้นแต่ไม่อาจยุติลงได้จึงหันใจไปที่การบริกรรมพุทโธเมื่อความแค้นนั้นหายไป หนูคิดว่าถ้าใจนึกขึ้นมาอีกยังแค้นอีกก็ต้องหนีโดยการบริกรรมพุโทโธไปตลอดจนวันตายคงไม่ใช่วิธีที่ดีหรือวิธีแก้ปัญหาอย่างแท้จริงมันจะเป็นเหตุแห่งกรรมที่ทำให้เกิดและดับอีกในภพภูมิต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปสติปัญญาไม่ถึงมีแต่ความโง่เขลาขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยค่ะในการจัดการความจิตแบบนี้ค่ะ เบื้องต้นเราก็ต้องใช้สติระงับความแค้นไว้ก่อนเพราะเราหายแล้วเราก็มาใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเราแค้นเพราะอะไรแคนเพราะว่าเขาไม่ทําตามที่เราต้องการนั่นเองหรือก็ทําร้ายเราทําให้เราไม่พอใจเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นใครเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาตะเจ้าก็บอกทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเมื่อกี้เนี่ยฝนตกเราไปห้ามฝนไม่ให้ตกได้หรือเปล่าทำไมเราไม่แคร์ฝนอ่ะเพราะเรามองเห็นว่าเขาเป็นธรรมชาติคนอื่นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกให้มองว่าเป็นเหมือนธรรมชาติเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำร้ายเราเขาจะกันแกล้งเราเขาจะทำอะไรให้เราไม่พอใจเราไปห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราทาได้ก็คือต้องทาใจว่าเราอยู่กับธรรมชาติ ล่อยก็ทำไปเราก็อยู่อย่างสงบของเราไปเมื่อกี้เราก็ฟังเทศของเราไปเขามาไล่เราเราก็ย้ายที่เห็นไมมเราไม่ไปโกรธแค้นโกรธเคืองถ้าเป็นคนมาไล่เราเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วทำไมต้องมาไล่ด้วยคุณมีอหนาจอะไรว่าไปร้อยแปดแต่พอเป็นฝนนั้นไม่ไม่ไม่เถียงเลยไม่ว่าเลยยอมยอมดีกว่ายอมหยุดเย็น ยอมต่อสู้อย่าไปยอมอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครหยุดหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านแล้วใจเราจะเย็นจะสงบมีความสุขเพราะเราจะไม่มีความแค้นอยู่ในใจนั่นเองนั่นเราต้องลดความอยากของเราหรือมองว่าทุกอย่างเป็นเหมือนธรรมชาติอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากก็อยากไปอยากมันยอมมัน คำถามจากคุณปริญญาค่ะลูกชายเสียชีวิตวันที่สิบสามเผาวันที่สิบห้าธันวาคมที่ผ่านมาดิฉันมาถือศีลแปดสามวันเพื่ออุทิศให้เขาเขาจะได้รับบุญไหมคะบุญอุทิศนี่มันไม่ได้เกิดจากการมาบวชเพราะยังไม่ได้ผลนะการมาบวชนี่เป็นเหมือนกับเพียงแต่เป็นการสร้างบุญแต่ยังไม่ไม่เกิดผลยังไม่ได้ซ็งศีลก็ยังไม่ได้ ได้กี่วันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าศีลทรรักษาวันสองวันแล้วจะเป็นศีลขึ้นมาอันั้นเราไม่นิยมอุทิศบุญด้วยการมาบวชมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลเรานิยมอุทิศบุญด้วยการถวายทานทำทานทำบุญเพราะมันเกิดผลทันทีพอเราทำบุญปั๊บความสุขใจอิ่มใจเกดขึ้นมาทันที แต่การมาบวชนี้บางทีอาจจะเกิดความทุกข์ใจเพราะยังต้องต่อสู้กับกิเลสที่มันจะไม่ยอมให้เราบวชไม่ยอมให้เราสงบเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะถ้าอยากจะอุทิศบุญก็อุทิศด้วยการทําบุญทาทานไปแต่การบวชนี้มันเป็นการมาทำใจเรามากกว่ามาทำใจเราให้สงบเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่ไปเสียใจกับความตายของลูกเรา คำถามจากคุณพลนพัฒน์ค่ะหากศีลดังพร้อยไปบ้างต้องอาราธนาใหม่กับพระอาจารย์ไหมคะไม่ต้องหรอกอารธาธนานี้คือให้เรารู้ว่าศีนมีอะไรแล้วก็รักษาไปถ้าขาดก็เตือนตัวเตือนตัวเองด้วยลงโทษตัวเองทุกครั้งที่ผิดศีลก็ตบศีรษะตัวเองสักครั้งก็ได้หรือไม่เช่นนั้นก็ งดกาแฟลงไปสักถ้วยหนึ่งก็ได้หรืองดดูละครสักตอนหนึ่งก็ได้ต้องมีอะไรบังคับบางาท้งลงโทษมันมันจะได้เข็ดหลับถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันก็ทำซ้ำๆอยู่เรื่อยหมดแล้วเลยมีใครอยากจะทำไหมลาพระอาจารย์เจ้าค่ะจิตเป็นอนาตาได้ไหมเจ้าค่ะ เพราจิตมันไม่ได้เป็นนัตตาแล้วเป็นอนัตตาจิตมันก็เป็นจิตจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดพเพื่อนนี่เป็นอนัตตาได้ไหมคะอาจารย์ครพเพื่อนเป็นอนัตตาได้ไหมคะก็ถ้าร่างกายก็เป็นอนัตตาเป็นดินน้ําลมไฟที่จะต้องมีวันน้อมสลายแยกไปเป็ น, น, น อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาสาทุกค่ะอาจารย์อพอดีลูกชายฝากถามค่ะ ถามว่าอะไรนะลูกนรกสวรรค์มีจริง่านรกสวรรค์มีจริงไหมคะมีเวลาหนูร้องไห้หนูตกนรกรู้ปะนะตอนที่หนูร้องไห้นนั้ตอนนั้นหนูกําลังตกนรกนะหนูทุกข์ใช่ไหมเวลาร้องไห้นั่นแหละคือนรกนะแล้วเวลาหนูยิ้มหนูหัวเราะนี่หนูกำลงกังขึ้นสวรรค์รู้ปะนะเขาเรียกว่านรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจ นะเข้าใจอย่างมีนะมีจริงนะถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทําดนะีแล้วก็จะมีความสุขถ้าไม่อยากจะไปนรกก็อย่าทําไม่ดีนะอย่ากโกหกอย่าขโมยของนะอเอาใจตัวเองนะเอาใจตัวเองแล้วไม่ได้ดังใจก็จะโกรธจะทุกขนะนะ์ไปนรกนะเข้าใจนะมีอีกไหม คำถามจากคุณแอนนี่ค่ะเลือกทางไหนดีคะเลือกทางไหนดีครับมาบวชเพื่อละหรือกลับไปดูแลมารดาดีเพราะกลับไปก็ไม่รู้จะทำงานอะไรดีคุณเป็นคุ ณ, คณก็ต้องเลือกของคุณเองมาถามเราได้ไงเวลาไปเที่ยวไมมาถามเราไปเที่ยวดีไม่ดี <c oughs> ทำอะไรก็ต้องตัดสินใจเอาเองเพราะคุณจะเป็นผู้รับผลถ้ามาให้เราตัดสินใจให้เดี๋ยวเกิดมิผลเกิดขึ้นมาก็มาโทษเราเพราะคุณแทๆ้ๆยังทําให้ตั้งเกิดอย่างนี้ขึ้นมาคนเรามไม่ชอบโทษตัวเองะชอบไปโทษคนอื่นอคําถามชากคุนิยาค่ะเราควรพิจารณาอย่างไรไม่ให้เราหลงรูปกายและพิจารณากระร่างกายตามความเป็นจริง ก็ดูสุภาษิดูร่างกายดูให้มันทุกขถึงทั้งสามสิบสองอาการอย่ามองแต่เฉพาะที่เราเห็นในกระจกเนะต้องนึกถึงภาพที่อยู่ใต้ผิวหนังบางสิ่งที่อยู่ใต้ผิวหนังเนีย่ยมองกระจกทีไรต้องนึกถึงกะโหลกศีรษนะเนี่ยพวกเรามีกระโหลกศีรษะกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกันเราคิดว่าไม่มีกัน ต้องพยายามนึกในใจนึกภาพขึ้นมาถ้านึกไม่ออกก็ไปดูภาพที่เขาถ่ายมาภาพที่เขาชำแหละร่างกายเอผ่าร่างกายออกมาเปิดให้เห็นข้างในอวัยวะต่างๆเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นกระดูกเห็นอะไรต่างๆเนี่ยนี่เพื่อเราจะได้ไม่หลงว่าร่างกายเราสวยเรา ง, งามหรือร่างกายเราจีรังเท้าวอนเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของมันเอ อย่างนี้เราก็จะไม่หลงไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นตัวเราของเราคำถามจากคุณโอ๋ค่ะทางพุทธบอกให้ทุกอย่างเป็นทุกข์แต่ทาไมพระอริยะท่านถึงสุขหนอสุขหนออยู่ตลอดคะคือทุกข์หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์แต่จิตนี้สามารถไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ถ้าปล่อยวาง ถ้าไม่ไปอยากไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆความทุกข์ในใจก็จะไม่มีคำถามจากคุณพิเชษค่ะผมได้ฟังธรรมทางโทรศัพท์เป็นประจำ ผมเริ่มปฏิบัติภาวนาผมได้น้อมเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และน้อมเอาพระอาจารย์สุชาติเป็นสารณะอย่างนี้ถือว่าผมมีครูบาอาจารย์ไหมครับมีแล้วล่ะครูบาอาจารย์ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ใกล้กันขอให้ได้ยินคําสั่งคําสอนก็ถือว่ามีครูบาอาจารย์นะ คำถามจากคุณจินตนาค่ะบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าเราสวดทุกวันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นใหม่เจ้าคะอย่างเช่นคาถาชินบัญชรดีในทางจิตใจจิตใจเราจะโลมเย็ยนเป็นสุขมีสติมีความสบายแต่ทางราบยศเสลเสือนี้ไม่เกี่ยวกันอาจจะเจริญก็ได้อาจจะไม่เจริญก็ได้ พ่อไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการสวดมนต์ไหว้พระคำถามจากคุณ อ, อมถ้าออกบวชทั้งที่ยังดูแลพ่อแม่ยังไม่ถึงพร้อมในทางโลกจะถือว่าอากตันยูหรือไม่ครับกลัวรู้สึกผิดที่ยังดูแลท่านไม่ดีพอก็ถ้าท่านอยู่ได้ท่านไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะ เราก็ต้องคำนึงถึงชีวิตของเราว่ามันก็ไม่แน่นอนถ้าเรามามัวแต่รอให้พ่อแม่สมบูรณ์ทุกอย่างเราก็อาจจะไม่มีเวลาพอที่จะไปปฏิบัติก็ได้เนี่ ย, ยก็ดูว่าพอพ่อแม่อยู่ได้ไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนจนเกินไปเราก็กวามจริงเป็นพระนีพระพุทธเจ้าการโดยญาตถ้าเผื่อพ่อแม่อดอยากขาดแคลนก็ เอาอาหารแบ่งไปให้พ่อแม่รับประทานได้อาหารที่ได้จากบิณฑบาตเพราะพระพุทธเจ้าอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะตามที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเวลาจิตรวมจะเป็นลักษณะ ตกเหวตกตึกจะมีลักษณะนี้แบบเดียวหรอคะเวลาจิตรวมค่ะพอไม่หนอกบางคนก็จะเป็นแบบค่อยๆลงไปทีละขั้นลงไปนิดหนึ่งสงบลงกึกหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกกึกหนึ่งเหมือนเวลาเปลี่ยนเกียร์รถยนต์เนี่ยมันก็จะมีสองแบบแบบที่พวดพาดลงไปถึงก้นแบบอีกพวกนึงก็ไปลงไปที่เป็นแบบขั้นบันไดลงไปทีละนิดสงบลงไปทีละเนิดเทอเนิด